ยาซีเรียเรื่องธัมมะกำลังภายในมีเรื่องหนึ่งเล่าว่ากระทาชายนายหนึ่งอยากเรียนวิชายิงธนู ไปหาอาจารย์สอนยิงธนูที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งมอบตนเป็นสิทธิ์ขอเรียนวิชาด้วยอาจารย์บอกว่าเจ้ายังไม่ต้องเรียนตอนนี้ขอให้เจ้ากลับบ้านก่อนไปหาเขามาตัวหนึ่งเอาเส้นไหมผูกมันแขวนไว้แล้วเจ้าจงนั่งเพลงดูให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกว่าเจ้า จะเห็นเหามันใหญ่เท่ากำปั้นเมื่อใดแล้วคอยมาหาค่ะลูกศิตย์กลับบ้านไปทำตามอาจารย์บอกฝึกเพ่งนานเกือบสามเดือนกว่าจะมองเห็นเหาโตเท่ากำปัน้นกว่าจะได้บรรลุถึงขั้นนี้เหาก็ตายไปหลายตัวเขากลับไปรายงานอาจารย์อาจารย์บอกเขาว่า เจ้ากลับไปใหม่คราวนี้ไปเพ่งเหาที่โตเท่ากําปั้นนั้นให้เล็กลงเท่าเดิมเขาพยายามอยู่เกือบสองเดือนเช่นกันกว่าจะทำาหาให้เล็กลงเท่าตัวจริงของมันแล้วเขาก็กลับไปหาอาจารย์รายงานผลให้ทราบอาจารย์กล่าวว่าเจ้าสามารถขยายสิ่งที่เล็กให้ใหญ่ และย่อสิ่งที่ใหญ่ให้เล็กได้ตามปรารถนานับว่าเจ้ามีพื้นฐานเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนมากเวลาเจ้าจะยิงธนูเจ้าก็เพียงแต่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิขยายสิ่งที่ต้องการยิงให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ปล่อยลูกศรไปแค่นี้เจ้าก็ยิงไม่พลาดแล้ว เรื่องนี้สอนว่าในบางครั้งสิทธิ์ไปฝากตัวเรียนวิชากับอาจารย์รับใช้อาจารย์อยู่เป็นเวลานานอาจารย์ก็ไม่สอนอะไรให้สักทีแล้วอาจารย์กลับทำให้ลูกสิทธิ์คิดว่าทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ไม่แน่นะสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอาจมีได้เสมอความรู้ที่ท่วมทน้น อาจอยู่ในสิ่งที่ดูไม่มีสาระเลยก็เป็นไปได้เหมือนกัน